พระสุตันตปิฎกที่นิกายมหาวัคมหาปริิญานาสูตรข้อหนึ่งร้อยสี่ิบเอ็ดหน้าสามรึอยยี่สิบจึงเป็นพุทธโอวาทที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะเป็นลักษณะของคำสั่งอยู่สี่ประการด้วยกันนะซึ่งข้อความตรงนี้ก็ให้รู้แต่ว่าอยู่พระผู้มีพระภาคอยู่บนเตียงมรณะนั่นเองเนี่ยนะเรียกว่าเตียงสุดท้าย เตียงที่พระองค์จะดับขันธ์ปรินิพานซึ่งถือว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงถัดจากนี้ไปเนี่ยนะซึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรับสั่งกับท่านพระอนุนว่าดูก่อนอ น, นุนบางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าปาพศมีพระศาสดาล่วงแล้วพระศาสดาของเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น คือหมายก็ว่าเมื่อพระองค์ดับคันป ร, รินิพานไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าเราเนี่ยหมดศาสดาแล้วนะไม่ใช่ว่าพระองค์ป ร, รินิพานโดยรูปรูปปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเสร็จแล้วบอกว่าไม่มีพระศาสดาแล้วกลายเป็นว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจแบบนั้นอย่าไปเห็นแบบนั้นอย่าไปรู้สึกแบบนั้นว่าตอนนี้ไม่มีพระศาสดาทำหรือวิไนก็ดีอันใด ที่เราแสดงไว้แล้วธรรมหรือวินัยเหล่านั้นที่เราได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอทั้งธรรมและวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาหแห่งพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราหมายก็ว่าเมื่อพระองค์ดับขันทัปปรินิพานไปแล้วธรรมวินัยทั้งมวลที่พระองค์แสดงและบัญญัติธรรมวินัยนั่นแหละเป็นองค์พระศาสดาคาอธิบายว่า เทสิตโตปั ญ, ญัตโตความว่าทั้งธรรมก็ทรงแสดงไว้แล้วและก็บัญญัติไว้แล้วทั้งพระวินัยพระองค์ก็บัญญัติไว้แล้วก็คือแต่งตั้งเอาไว้แล้วนะก็คือแสดงไว้เยอะมากครัไหม0 0ดี่พันพระธรรมขันพระธรรมวินัยนั้นแหละโซโวมมัจเยนะได้แก่ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยที่เราล่วงไป หมายคามว่าเมื่อพระองค์ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดับอุปาทานขันห้าโดยประการทั้งปวงโดยอนุปาทิเสสนิพานบัตรนี้เป็นต้นไปธรมและวิไนนั่นแหละจักเป็นองค์พระศาสดาเพราะถ้าหากว่าเราทรงจำพระพุทธพจน์ได้เท่าใดเราก็มีพระศาสดาอยู่กับเราเท่านั้นนั่นเองจริงอยู่เรายังเป็นอยู่นี่แล นะคือตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นั้นพระองค์ได้แสดงอุพัโตวิพังเขาวินยัยคือหมายเขาว่าบัญญัติพระวินยัยทั้งพิกุณีวิพังและภิกุวิพังอุพัโตวิพังหมายถึงพิกุณีปาติโมกและภิกุปาติโมกพร้อมทั้งคันธกะทั้ง2ีคันธกะพร้อมทั้งบริวาร16บริวารแก่เธอทั้งหลายซึ่ง ทั้งอุพโตวิพังคันธกะและคัมภีบริวารหรือคัมภีปริวานเนี่ยนะปริวาระเนี่ยทั้งหมดนั้นจัดไว้ด้วยอำนาจกองแห่งอาบัติเกองอ น, นะอาบัติ7กองก็คือปราชิกสังขาริเศษทุลใจนะปาจิตตีปาริตเทสนิยะทุกกฎและทุกผาสิทธ์เรียกว่าอาบัติ7กองในอาบัติทั้ง7กองเนี่ยนะก็คือปราชิกนะสังขาธิเศษทุลใจ ปาจิตีปาติเทศนยยทุกกฎทุ ก, ทกภาสิตทั้งเจ็ดกองเนี่ยนะบอกว่าอาบัตคือสังขารที่เสรกับปา ร, ราชิกเรียกว่าอาบัตหนักอาบัตถัดจากนั้นไปเรียกว่าอาบัตเบาอาบัตปา ร, ราชิกเนี่ยนะแก้ไขไม่ได้อาบัตที่เหลือเจ็ดกองแก้ไขได้อาบัตนี้ถ้าต้องด้วยอกุศลจิตอย่างเดียวเป็นโลกัตชะ น, นะผิดเฉพาะพระวินัยบัญญัติอย่างเดียว แต่ไม่ผิดประเพณีของชาวโลกเรียกว่าปนนติวัชะอาบัตินี้เมื่อพวกเธอทั้งหลายต้องแล้วต้องออกในสำนักของบุคคลหรือว่าอาบัตินี้ต้องออกในสำนักของหมู่คณะหรืออาบัติอันนี้ต้องออกในสำนักของสงนั้นคำพีอุปโตวิพังคำพีขันตกะคำพีปริวานก็เพื่อจะให้รู้จักอาบัติทั้งเจ็ดกองให้รู้จักปาราชิกสี่ หรือให้รู้จักปาราชิกให้รู้จักสังขาธิเศษให้รู้จักอบัติปาจิตตีให้รู้จักอบาดปาติเทสนิยะให้รู้จักอบัตดทุกกฏอบัติทุกพาสิทธทั้งหลายเป็นอบัติที่เบาอบัติที่หนักอบัาดแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้เป็นโลกวัต ช, ชาหรือปนติวัต ช, ชาต้องออกในสำนักบุคคลคณะหรือสงสรุปเป็นวินัยปิฎกทั้งสิน้นนะนะทั้งสองหมืหนึ่งพันพระธรรมคันเมื่อเราปรินิพาน พระวินยัยทั้งวินัยปิฎกทั้งหมดนี่แหละจกทํากิจของศาสดาของพวกท่านให้สําเร็จท่านกลับว่าแต่ละธรรมขันแต่ละคำพีแต่ละคัมภี์ก็เท่ากับเป็นองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาพราะพระวินัยอยู่ที่ใดก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะเป็นคําของพระองค์สิ่งใดที่เป็นพุทธพจน์อันนั้นก็หมายถึงองค์พระศาสดาอยู่แล้วเพราะว่าตัวแทนของศาสดาก็คือ พุทธพจน์ที่พระศาสดาแสดงเอาไว้แล้วตรัสเอาไว้แล้วพระวินัยปิดกนั่นแหละจักเป็นศาสดาของพวกเธอบางท่านก็บอกโอ้ยบัดนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วบอกไม่อยู่ได้อย่างไรปาราชิกที่พระองค์บัญญัติเนี่ยนะสังขาริเศษอบัตทุกฏทุ ก, กปาจิตีปาติเทศนิยาคาสอนในพระวินัยทั้งหมดนั่นแหละคือองค์ของพระศาสดามันพระศาสดานั้นก็ตามโอว่าตามพระ่ำสอนเนี่ยนะท่านถ้าหากว่า ระลึกถึงพระวินัยไว้ได้ก็เท่ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสดงพระวินัยเนี่ยนะเมื่อระลึกถึงพระวินัยแต่ละบทแต่ละสูตรแต่ละหมวดก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่แสดงและบัญญัติพระวินัยพั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระองค์นั้นถึงจะล่วงลับดับไปแล้วแต่พระวินัยเหล่านั้นก็ยังอยู่พระวินัยเหล่านั้นแหละเป็นศาสดาของพเออของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนะ ถ้าพระวินัยยังอยู่พระาศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่เพราะบัดนี้องค์แห่งาศาสดาก็คือพระวินยัยอันนี้โดยวินัยปิฎกก่อนต่อไปอีกบอกว่าอันหนึ่งเรายังเป็นอยู่นี่แหละคือยังมีพระชนอยู่ตอนที่พระองค์บำเพ็ญพุทธกิจอยู่ตลอดระยะเวลา 45, สาี่สิบาพรรษาพระองค์ก็จําเนกแยกแยะธรรมะเหล่านี้และก็แสดงพระสุตตันตปิฎก โดยอาการนั้นหมายคําว่าคําสอนในพระสู่ทั้งหมดเนี่ยสาระสําคัญก็คือประกาศโพธิปัจขยธรรม น, นะแล้วโพธิปัจขยธรรมเหล่านั้นก็เอามาจําแนกให้ดูให้รู้อย่างนี้ว่านี้สติประฐานสเหล่านี้สัมมาประธานสี่เหล่านี้อิทธิบาทสี่เหล่านี้อินรียห้าเหล่านี้พละห้าเหล่านี้โพชชงเจ็เหล่านี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมันโพธิปัจขยธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ น, นะถ้าย่นย่อมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาหรือสมถะกับวิปัสสนาเพื่อวิชาและวิมุตตเนี่ยนะสติปทานสี่สัมมาปทาน4ีอิทิบาท4อินรีห้าพละหา้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 น, นะคือสาระที่สำคัญของพระสุตันตปิฎกทั้งหนิกาย ทีทนิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงทั้ง34สูตรก็เพื่อให้เรานั้นเจริญโพธิปัจจยธรรมเป็นมัชฌิมนิกายประกาศไว้หนึ่งสูตรก็เพื่อสอนให้เจริญโพธิปัจจยธรรมสังยุตตนิกาย 7,700 กว่าสูตรเนี่ยนะก็เพื่อที่จะสอนให้เรานั้นเจริญโพธิปัจจะธรรมอังคุตรนิกายทั้ง900ากว่าสูตรก็เพื่อให้เจริญ โพธิปักษคยธรรมคุตกานิกายทั้ง15คัมภคำพีตั้งแต่คุตตะปาฐะเป็นต้นไปเนี่ยนะจนถึงจริยาปิดกหรือว่าพุทธวงศิงคำพีทั้งหมดเหล่านั้นก็สอนให้เจริญโพธิปักษยธรรมเพราะฉะนั้นอาการของพระสุตตันตปิดกพระสูตรทั้งมวลล้วนมีจุดมุ่งหมายให้เจริญ โทที่ปักขยรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้หรือธรรมที่เจริญแล้วเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงและองค์มรรคพันพระสุตตันตปิฎกทั้งหมดที่จําเนกอันนะไปแล้วเนี่ยนะจะทํา ก, รรกิจแห่งศาสดาของท่านทั้งหลายให้สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าพระสูตรยังอยู่คําสอนอยังอยู่พระศาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่ มันแต่ละสูตรแต่ละสูตรก็เท่ากับองค์พระาศาสดาแต่ละองค์แต่ละองค์เพราะะฉนั้นต้องให้ความสําคัญว่าพระสูตรนั้นก็คื อ, อที่ใดมีพระสูตรที่นั่นก็มีพระาศาสดาที่ใดมีคําสอนที่นั่นก็ชื่อว่ายังมีพระาศาสดาอันหนึ่ง น, นะต่อไปก็คืออภิธรรมปิฎกบอกว่าเรายังดํารงอยู่นี่แหละดํารงอยู่โดยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เราได้จำแนกแ ย, เยกเยะธรรมเหล่านี้จำแนกเป็นขันจำแนกเป็นอายตนะจำแนกเป็นธาตุสัจจะอินทรีย์จำแนกเป็นขันห้าเนี่ยนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจำแนกเป็นอายตนะสิบสองอายตนะภายในหและอายตนะภายนอกหกจำแนกเป็นธาตุสิบแปดก็คื อ, อวิญญาณธาตุเจ็ดเนี่ยนะธาตุที่เป็นรูปอีกแล้วก็ธาตุที่เป็นนนะ เป็นเวทนาเอ่อเป็นสังขารขันเนี่ยนะเป็นธรรมธาตุแล้วก็ยังจำแนกอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจำแนกอินทรีย์ยี่สิบสองซึ่งธรรมะเหล่านี้ทั้งโดยวัตตะและโดยวิวัตตะยังจำแนกเหตุอีกเก้าทั้งที่เป็นกุศลเหตุสามอาจกุศลเหตุสามและ อัพยากตะเหตุ3ามจำแนกอาหารอีกสก็คือกัเพลิงกราอ า, า, าหารผัสสาหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณอาหารจำแนกผัสสะเจ็ดผัสสะที่เกิดร่วมกับจักขูวิญญาณธาตุโสตขานะชีวหากายผัสสะที่เกิดร่วมกับมโนธาตุผัสสะที่เกิดร่วมกับมโนโวิญญาณธาตุเนี่ยนะเวทนาทั้ง7ดเนี่ยนะเวทนาที่เกิดร่วมกับจักขูวิญ ญ, ญาณโสตขานะชิวหากายวิญ ญ, ญาณ เวทนาที่เกิดร่วมกับมโนธาตุเวทนาที่เกิดร่วมกับมโนวิญญาณธาตุสัญญาเจเจตนาเจก็คือสัญญาและเจตนาที่เกิดร่วมกับวิญญาณธาตุทั้ง7หรือวิญญาณธาตุทั้ง7ก็หมายถึงจักขู่วิญญาณโสตาวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุในบรรดาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะ มาจำแนกรวมกลุ่มเรียกว่าจิตตุ บ, บาทการเกิดขึ้นของจิตจิตเหล่านี้แบ่งออกเป็นกามาวจรจิตเหล่านี้เป็นรูปาวจรจิตเหล่านี้เป็นอรูปาวจรเป็นกามาวจรอันที่หเป็นรูปาวจร15เป็นอรูปาวจร12เท่านี้ทั้งหมดที่กล่าวไปนี้เป็นธรรมปริยาปณนะธรรมธรรมที่นับเนื่องในวะตะัตต ธรรมเหล่านี้พ้นจากนี้เป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตะก็คือโลกุตระธรรมทั้งหลายนี้เป็นโลกิยะนี้เป็นโลกุตระจำแนกเป็นพระพิธรรมพิดกเป็นคำภีเจ็ดคำภีนะเป็นอะไรเป็นธรรมสังคณีประกรณ์เป็นวิพังขปกรณ์เป็นธาตุกระาเป็นกระาวัตถุเป็นยมกะเนยแล้วก็อะเป็นอะไรเป็น อันแรกธรรมสังคีณีสองวิพังสามธาตุกถา4ปุคละปัญญัห้ากถาวัตถุ6ยมะกะเจสมันตะปทานสมันตะปทานทั้ง24ปัจจัยประดับด้วยมหาปทานทั้งเรียกว่าวปทานติกะปทานทุกกะปทานติกะทุกกะทุกะกะติกะิกติกะและก็ทุกกะทุกกะปทานซึ่งแต่ละอย่างเหล่านั้นเป็นอนันตนยน เป็นอภิธรรมปิดกทั้งสิ้นอภิอภิธรรมปิดกทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเมื่อพระองค์ดำรงอยู่พระองค์แต่งตั้งเปิดเผยโอวาทแนะนําสั่งสอนพระธรรมทั้งหมดนี้เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วอภิธรรมทั้งหมดนี่แหละจัดทา ก, รรกิจแห่งศาสดาของพวกเธอทั้งหลายให้สําเร็จมันแสดงว่าถ้าพระไตรปิฎกยังอยู่พระศาสดาก็ชื่อว่า ยังอยู่จริงอยู่ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะล่วงไปแล้วก็จริงรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่านั้นของพระพุทธเจ้าออกรมที่พระองค์สร้างสมอบรมมาด้วยพระปุพพเจริาคุณด้วยบุญบารมีที่สร้างสมมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับก็เพื่อจะประกาศพระวนันปิฎกเพื่อจะประกาศพระสุตตันตปิฎกเพื่อจะประกาศพระอภิธรรมปิฎก น, นะเมื่อพระองค์ประกาศพระธรรมเหล่านั้น โดยครบทุวนบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ดับขันทัปปรินิผ่านไปเพราะฉะนั้นพระตรายปิฎกเหล่านี้แหละจักเป็นศาสดาของพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยนะของผู้ที่มีบุญมีวาสน า, ม, า, ามีอุปนิสัยที่จะตรัสรู้หรือผู้ที่ศึกษาในยุคหลังๆเป็นบุญเป็นวาสนาให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้องค์พระศาสดาของเราก็คือ พระไตรปิฎกสรุปว่าพระพุทธวจนะนี้ทั้งหมดที่เราพาสิทธ์บอกกล่าวแสดงแต่งตั้ ง, งเปิดเผยตั้งแต่แรกตรัสรู้จนถึงปรินิพานธรรมะเหล่านี้แบ่งประเภทเป็นนิกายเป็นปิฎกสามพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกแบ่งเป็นนิกายทั้ง5ทีขันิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายและคุถะกานิกาย ประกอบไปด้วยองค์9คือสุตตะเคยะวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพภูตธรรมเวทละและถ้าจำแนกโดยพระธรรมคันก็8ปดหมพันพระธรรมคันนะท่าพระปิฎกสามยังอยู่พระษาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่ท่านิกายห้ายังอยู่พระษาสดาก็ชื่อว่ายังอยู่ถ้าคําสอนอันประกอบไปด้วยองค้าอย่างอยู่พระษาสดาก็ยังดํารงอยู่ถ้าคําสอน ประกอบด้วยพระธรรมขันธ์ทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เหล่านี้ยังดำรงอยู่พระพุทธเจ้าก็ชื่อว่ายัางดำรงอยู่เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าเมื่อเมื่อทรงแสดงเหตุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าเราจักปรินิพานแต่ผู้เดียวนนะคือพระองค์บอกให้รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของพระองค์ดับแต่อย่างเดียว